วิโตนุเออเออเอเราแช่ไว้เลยแช่ไว้เราไปยกมาไว้วเราอะเออแช่ไว้มืนกันมีตู้นี้ก็มีเดี๋ยวเวลาเราจะไปตรวจมลเย็นอะไรพวกนี้เออเออแล้วก็ฉันได้เออ่้าทีมีแกรใครตายมากันอยอ <Jub> มีพระพวกเพื่อนพระมาอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละแต่งงเออเออเพรแต <p ford> ่แต่ตาเล็กในหลวงตาเล็กในแกมีตลอดแกดื่มตลอดทั้งแกมาเขามาตัดผมยด้วยกันนะครับตัดผมอยู่ด้วยกันเอตอนหลังเรามากินเหล้ามากกินเหล้ามากเลิกเหล้าอก็เลยเข้าบวช ออมีลูกลูกแกก็โอ้ดีมีได้ดีทุกคนนะลูกนันเออเอแต่เขาก็เอาอะไรมาถวายไอ้แจงไอ้จอยเออเอไอ้แจงมันก็มีทุกอย่างเนี่ยพิจิตรุงไม่ใช่คนจนเนี่ยพิจิตร่โอ้คนจนร้านเขาบอกใจเออใช่ร้านใหญ่ขายของขายพวกพระถัดตวนี้ เครืยฟ้าทุกอย่างก็ถือว่าใหญ่แหละหลวงพ่อเครืงไ่ฟ้าทุกอย่างเอแล้วตอนเน่มาอยู่วัดศรีจันทร์เน่ตอนนั้นนี่ก็ไปปริวาสกรรมเรื่อยใช่ไหมไ ป, ปใต้นะหลวงพ่อนะไปวัดเขาตะเกียบของอันยินอ๋อไปปริวาสไปทุกปีก็ก่อนยังไปทุกปีไปปริวาสนอนเดินเมถาน จัดปริวตัตรทุกปีปริวตัตรค่ไดอยู่สิบวันมันกลับมาก็ตรงกลางพอดีแหละนี่คือ<า>เขาเขาเขามีญาติโยมไปปฏิบัติธรรมเยอะใช่มั้ยเยอะพระก็ปฏิบัติเยอะคือมันเป็นสัพยะมันดีอ่ะเขาจะเกียบเดี๋ยวนี้มันลานตรงนั้นเขาสร้างโบสถ์ได้น้อง นนชาววิลกตชาววิลิตยังใจยุตชาววลิตกับพระเจ้าอยู่หัว อ, องค์ปัจจุบันไอ้ไสร้างต่อไปสร้างให้สร้างโบสเขาตะเกียบเนี่ยเคยไปไหมเนี่ยชันอยู่หัวหินอยู่บนเขาเลยนนเนาะ เ, เขาสองลูกสามลูกไปยืนตรงนั้นเราจะเห็น ขาดไกลตลอดแบบจิ้ไก่กางวนเลยโอ้ oh, ไม่ธรรมดาแบ่นเรต้องม่เห็นหมดโอ้ oh. ก้องจังโอ้โหขาดขายลยาวไจไกลกลางวลเลย oh. มันเป็นที่ที่ชมวิวแล้วตอนไปอินเดียนี่ไปกับหลวงพ่อเหรอไปกับพระกับโยมก็ไปกับเพื่อนไปอินเดียสองรอบนะช้นโอ้ oh, ไม่ธรรมดาแน่เน่ย ไปกับที่แรกไปกับทัวร์เข้าน่ะไปทัวร์เขาเออเออที่สองไปก็ไปทัวร์พระเออเอพระมาชวนไปก็เลยไปอคือบินไปลงกันตตะนี่แหละอ๋อบินจากเมืองไทยเนี่ยไปแล้วก็ไปปัฒนะแล้วก็ไปปัฒนาก็คือนั่งรถบัสไปนัต่อต่อรถไปตอเครื่องบินไปชั่วโมงนึงอ๋อเหรอ ลงปัตนาเออไปนอนนาฬคาเออเอแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องบินไปสลานาทแหละถึงสลานาทเลยโอ้เหรอมีสนามบินนอนไปลงจะด้ว่าบินตรงเลยบินตรงไปถึงนอดเลยไม่ต้องไปนั่งถ้านั่งรถไปนี่ไปห้ารอยกิโลถ้านั่งรถยนต์นะนะโอ้โหมันใจมากนะเนี่ยก็ ไกลถึงขนาดห้าร้อยกิโลโอ้โหนะแล้วถนนเขามันก็บางครั้งดีไม่ดีโอ้ยมีวัวมีควายเดินผ่านโอ้ดีก็ดีโอ้ยไม่ไหวเหรอคนจนเยอะไปไปรถโดยสารไปที่หลังเนี่ยไปรถโดยสารโอลงที่นี่รงสถานีที่อะเนี่ยกันกระตาเนี่ยแล้วก็นั่งรถโดยสารไปอยากเห็นชาวบ้านนเอ่อเออเอ่อ มันก็ไปโอ้ไปกัดลัดเลาะไปเลาะไปเรื่อยไปมันถึงกี่โมงไปกเลยกัตกพวกนี้มตกกระบอกอะเนาะเอะอเนั่งทายนั่งขี่กันมันไม่มีส้วมไม่ไรขนานั้นะแล้วไปก็ไปนอนอยู่วัดใช่ไหมไปนอนตามวัดเออวัดเขามจะเก็บจัด วัดวันนี้ไปนอนวัดนี้วันนี้ไปนอนวัดนั้นที่จังหวัดนั้นไปไปนาทานธาไปกรุงรัชครึ่ไปอะไรมาหลายไปที่ตัทโรปฏิปสูตรปฏินิพพานไปปฏิปสมเทสนาไปดีไปนั่มันมีความรู้ดีเรา เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่เป็นศาสนาจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ไม่ใช่อุปโลกขึ้นมาแต่จริงจริงคือตักรูปติวาลิฏิภานมีหลักฐานหมดมีหลักฐานครบทุกอย่างพุทธเจ้าก็มีจริงมีตัวตนจริงมีจริงมีตัวตนจริงที่นั่งรับทานกัน เขาไปโถมนี่อ่เขาโถงเป็นภูเขาเลยโถมมันโถมเลยโอโหโรวัตต์ลินเลอะที่นี่มันเป็นที่มหาวิทยาลัยนารันทายมั้มหาวิทยาลัยแรกของโลกใช่ใช่ใช่แรกของโลกเลยโปรวัตต์ลินมันขเอาดินไปโถมหมดเลยโอ้โหก็โถมเป็นภูเขาขึ้นมาเลยโอ้หนักเนอะ ตอนอังกฤษมาปกครองเขาถึงขุดออกอ๋ออที่เดี๋ยวมันโขมมันอยากจะทำลายทุกอย่างชั้นนั่นชั้นนั่นชั้นนั่นเขาโปกปักมาเลยที่ประชุมที่อะไรหลายอย่างนี่แล้วก็มีพระหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนี่ไม่รู้เป็นพระองค์ เกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ประวัติไม่ได้ไม่มีประวัติตมีพก็ดำมีพระองสวยงามมากแต่ดำเครื่องรักแต่เขาก็ปิดทองปิดแดงน้นไปก็ดีเหมือนกันไปอินเดียก็ดีก็จะได้ความรู้ได้อะไรเยอะเนาะนั่น โได้เห็นได้เห็นได้เห็นของจริงแล้วเราก็เลยไม่ติดอืมอืมอืไม่ตึดได้ไปเห็นแล้วมันก็บอกว่ามันมีจริงเนี่ยพระเจ้าเนาะเราก็ถวทมนต์ทำวัดปฏิบัติทาไปทุกวันทุกวันก็ดีแล้วล่ะหลวงพ่อนิ่งและไอ้มือถือบางครั้งก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างเนาะหลวงพ่อโทรมาเน่ะนอ๋อมันเป็นระบบเก่าเะ